เมื่อกี้เราตรวจสมาธิกันจะเกตอะไรได้บ้างไหมจะตุทะฌานฌานที่4จะตัวไว้ว่าสีฌานคือที่พักนะของจิตของใจจะพุทธมักจะรู้ว่าเออทำสมาธิทําสมาธิทาสมาธิมาเช้าเราสวดสมมาสติ สมาธิที่สูงที่สุดคือการมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่สัมมาคือมันเป็นการตั้งมั่นที่ชอบที่ถูกมีสติแล้วแรอยู่รู้รูอะไรกําลังเกิดขึ้นคำว่าอะไรเกิดขึ้นน่ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรนะมันรู้อยู่ว่ามันคืออะไร มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่นั่งสมาธิคือนั่งอย่างมีสติแลเห็นตัวเองชัดเห็นกายเห็นใจมีวิธีฝึกมากมายเหลือเกินเขาเรียกว่าอาณาปานสติไงนะไม่ใช่อาณาปานสมาธิไม่มีการพูดแบบนั้นกันมีแต่อาณาปานสติในการยกม้โยกมือเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งเดียวกัน แล้วก็ทีมกันที่สุดคือมันมีความชัดเจนแล้วก็ตรงตรงประเด็นใครที่มีความทุกข์มีปัญหาในชีวิตลองรู้สึกตัวดูชิมดูมันเป็นยังไงเวลาจินตปกติตรงนี้แหละจะเกิดสตาราความเชื่อบภุภปัญญาขึ้นมาทันทีนะมันไม่หยุดหรอกการเดินทางเมื่อมันเห็นทาง ข้อหมายสูงสุดก็จะต้องถึงเร็วที่สุดตะเดินไม่หันหลีหันขวางละๆ ล, ล, ละลังเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินถอยถอยก้าวนึงก้าวนึงอย่างมั่นคงนะอาจจะเซไปบ้างเล็กๆลน้อยน้อยภาษาของคนที่กําลังเดินทางมีปฏิยาการต่างๆมากมายก็เป็นสภาวะของธรรมเป็นธรรมอารมณ์ต่างๆสมควรแก่การปฏิบัติก็ มาให้เราได้สัมผัสนะวันนี้ไม่กล่าวว่าจะเปิดเทปไม่กล่าวว่าจะเทศแต่ว่ามันมีความเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาที่เนี่ยมีคนคนหนึ่งที่นะอบรมคนหนึงหลายหมื่นคนเหมือนกันมามาคำนวณตัวเองดูก็ประมาณสักไม่เกิน 20,000 คนที่อบรมมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เกิน ประมาณนี้แหละประมาณ 20, คนน่แหละแต่คนนี้เคยผ่านคอร์สมาหลายปีแล้วคนที่ผ่านก็เป็นในคอร์สเนี่ยหลายหมื่นคนแพายวัดนี้ก็ไปกันหลายคนแล้วนะไปอบรมกันลาสุดก็ไปกันจันตุ่มจนันโนธมีอาจารย์แจ็คแล้วก็แม่ชีวิแบมบมพังผ่านมา แลนดะ์มาร์คฟอร์ลัมอีดูเคชั่นเข้าลมได้สะใจนะถึงลูกถึงคนภายในสามวันโอ้ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคนที่เป็นประธานใหญ่นั่งอยู่เนี่ยนะเวลามานั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนสำคัญยังไงนะแปลกเด้นะเดี๋ยววันนี้จะให้มาพูดหน่อยมาหลีด ตรงนี้หน่อยนะมาตรงนี้มาพูดถึงแง่คิดมุมมองความเห็นที่เราจะช่วยคนทั้งโลกเนี่ยเนื้อเปลี่ยนประเทศไทยจะเปลี่ยนกันยังไงดีมานําเสนอความคิดหน่อยเนื้อถูกเนื้อผิดเนื้อเห็นเนื้อผลเป็นพี่สาวอ้อเราก็รู้จักกันดีอ้อมาอยู่ที่วัดนี้นานมาก็สร้างความเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างมากม้เหลือเกินกับสุกโตโดยที่ว่ามันเข้ากันได้ไหมระหว่างเจริญสติปัฏฐาน4เกลื่อนไหวเดินจงกรมเนี่ ย, ก, ย ก, ก, ก็ยกมือ14ียังไหวกะข้อเท็จจริงที่กำลังนำเสนอแล้วก็เป็นอดับหนึ่งของของโลกเลยนะที่เนี่ยการเจริญเติบโตมาคำนวณดูคอร์สนึงตัประมาณ4ล้านเศษเศคนประมาณ250 แต่ที่ล่าสุดที่ไปกันมาสี่ร้อยคนอาจจะม า, มาไปมาสองครั้งก็สี่ร้อยคนโอ้โหดาราหนังอเงี้ยพวกคนดังคนใหญ่คนโตไปนั่งฟังกันนิ่งเงียบเลยแต่ในเช้ายันห้าทุ่มอยอบลมหนักนะนั่งกันโจนแล้วปรั่งนี้เป๊ะเป๊เปป ป, ป, ป, ป, ประทับใจไปเห็นการปรัยุธรทำของเขา ในชั่วโมงสั้นๆเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกระทบกันไปแต่ว่าอบรมคอร์สนงหลายต่างนะมีกันสัก2 0 0หม น, นะบางคอร์สองหม0่นเจ็ ด, นะดก็ธรรมดาก็สัก17 0 0นเจ็ดอนะามวันสวันนะเพราะนั้นเดี๋ยวให้พี่สาวอ้อนะยมแจนมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยเราพูดความจริงกันนั่งได้ ทำไมนี่ไปเอ อ, เ, อเนี่ยแล้วก็นั่งหันหน้าอกึ่งๆไปทางนั้นนะพูดกับคนทุกคนนำเสนอแง่คิดมุมมองการปฏิบัติธรรมไม่ถูกไม่ผิดแง่คิดของตัวเองคือสิ่งที่นำเสนอก็คือการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันสร้างความแตกต่างให้กับเขาให้ได้แั่แม่ชีกกบอาจารย์ยุกิ <c oughs> ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงที่มันมีอยู่ที่เราเราเห็นมันเป็นปรากฏการณ์ขนาดนี้เป็นการปรากฏขนาดนะี mm hmm. เราจะทำยังไงมีความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ทะลุทะลวงฮัลโหลค่ะโอเคก็ อันดับแรกบอกก่อนนะคะว่าไม่ไม่รู้ตัวมาก่อนก็ก็ขอขอบขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ที่ให้โอกาสที่แล้วก็ทางพระอาจารย์ทรงสินไว้ที่ให้แจงได้มีโอกาสพูดนะคะก็ชื่อแจงนะคะแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นเซ็นเตอร์แมネจเจอร์เป็นผู้บริหารของบริษัทแลนด์เออรเคชั่นสาขาในประเทศไทยนะคะคือดูแลอยู่แล้วก็อยู่ในการสถานี้มาเปีแล้วค่ะ ฝึกมาเก้าปีสิ่งแรกเลยเนี่ยคือในในคอร์สของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ให้มนุษย์เนี่ยเหมือนลักษณะว่าคนคนเราทุกคนเนี่ยค่ะก็มีมีความเป็นมนุษย์แล้วก็เหมือนเข้าไปแยกแยะในความเป็นมนุษย์ของเราอะค่ ะ, อ, ะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเนี่ย ในชีวิตของเราเราก็จะมีสิ่งใช่ไหมคะที่เรารู้สิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้ง่ายๆเลยอย่างอย่างจงรู้ว่าตัวเองขับรถยนต์ได้อั น, นี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีด้านหนึ่งในชีวิตของเราสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้เช่นอย่างเจงแจงซ่อมรถรถยนต์เนี่ยไม่ได้ขับเป็นแต่ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ คือถ้าเสียมอมไรเนี่ยก็ต้องเรียกช่างเพราะว่าทาไม่เป็นขับเป็นแต่เพราะว่าจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เพระาะฉะนั้นจนก็ต้องตามผู้เชี่ยวชาญมาจัด ก, การเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้แล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งในชีวิตของเราซึ่งเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเดี๋ยวฟัง อ, อีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่เราไม่รู้แลวเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไร ก็ถ้าภาษาง่ายๆคือการการแยกแยะในคอสของเราเพื่อให้เราเข้าไปหาตัวเราเองซึ่งปกติเนี่ยเมื่อเรามีคนมาบอกเราอย่างไงตามว่าทําไมคุณถึงโกรธทําไมคุณถึงหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เป็นความเข้าใจแต่มันมันไม่ได้มองเห็นด้วยตัวเองอะค่ะคืออะไรก็ตามที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวเองอันนั้นไม่ได้จะไม่ได้สร้างความแตกต่างกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอส สวันเนี่ยเราจะเริ่มให้คนเนี่ยเห็นด้านต่างๆของชีวิตตัวเองแล้วก็เวลามองเข้ามาเนี่ยคือภาษาง่ายถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าจุดบอดหรือบ่ายสปอตใช่ไหมคะจุดบอดคือจุดที่เรามองไม่เห็นคือถ้าถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่หลังต้นคอเรามองซ้ายก็ไม่เห็นมองขวาก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องมีคนมาชี้ให้เราเห็นน่ะเหมือนแบบเป็นโค้ชเราบอกเราว่าว่าเอออันนี้นะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะอันนั้นคือ คือลักษณะง่ายๆคือคนที่นำคอร์สก็จะเป็นโค้ชเราว่าอันนี้คือจุดบอดของเราพอฟังเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเทสก่อนก็อันนั้นก็คือหลักการของแลนด์มาร์ฟอรัมคือง่ายๆคือเราจะให้คนเนี่ยได้มองจุดบอดของตัวเองจากคนอื่นคือในคอร์สเราจะมีลักษณะ250คน ในเมืองไทยนะคะที่ญี่ปุ่นก็มีค่ะญี่ปุ่นมี3เซนะ็นเตอร์แนมมากกว่าเมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็เปิดมานานกว่าตั้ง1ิบสปีมากกว่า20ปีแล้วก็คือลักษณะเนี่ยจะเหมือนให้เรากรุ๊ปใหญ่ๆสิ่งที่มันเวิร์คคือเราจะไม่ได้ทํางานกับกรุ๊ปเล็กๆ เ, เราจะทํางานกับกรุ๊ปกลุ่มคนใหญ่ๆอะค่ะแล้วเวลา l e เ d e r เขาอยู่หน้าห้องเวลาเราออกไปแบ่งปันเราก็จะเริ่มมองเห็นตัวเราในตัวเขาคือคือเราคือเขาเขาคือเรามันเหมือนเราเห็นแบบนั้นเลยอะค่ะมันจะเริ่มโอ้นี่ก็เราอันนี้ก็เราอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, อ, ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเลยก่อนเข้าฟอรัมแจงกับ น, น้องอ้อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แจงก็รู้สึกว่าทำไมอ้อเ น, นี่ยไม่ฟงังก็เริ่มมีความคิดอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่สาหรับแจงเนี่ยมันจริง คือแยกไม่ได้ว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงแต่แต่พรเพราะว่าโลกของเรานี่จริงเลยว่าน้องไม่ฟังอะไรเงี้ยเหมือนมันโลกมันปรากฏว่าจริงเลยค่ะคือวิธีที่เราแยกแยะ ก, ก็คือว่าจะใช้คาว่าแยกแยะ ก, ก็คือโลกที่ปรากฏกับโลกของความจริงเพราะว่าเวลาคนนึงเนี่ยปรากฏกับเราใช่ไหมคะแต่สมมุติว่าเขาปรากฏกับเราแบบนี้แต่คนอื่นมองอาจจะปรากฏอีกแบบก็ได้เพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นวิธีที่ มันปรากฏกับเราเหมือนเหมือนเอ๊ะทำไมเรารู้สึกกดดันเราอยู่กับคนนี้ทําไมเรารู้สึกกดดันแต่ถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้สึกกดดันเหมือนที่เรารู้สึกกดดันเพราะฉะน้นวิธีที่โลกปรากฏต่างกันสําหรับแจงเนี่ยน้องอ้อปรากฏว่าว่าไม่ฟังพูดอะไรแล้วไม่ฟังแต่ตอนที่จันเข้าเข้าไปในไปในคอร์สเมื่อเก้าปีที่แล้วจันก็เริ่มว้าวจริงๆเนี่ยมันเป็นเรานะไม่ใช่น้องก็เริ่มเห็นว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอ้อมันเกี่ยวกับเราแล้ ว, ลวตอนนี้ นั่นคือนั่นคือสิ่งทีจง่จังเหมือนแยกแยะว่าความจริงคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เราตีความคืออะไรหรือมันปรากฏกับเราซึ่งไม่ใช่ความจริงเหมือนแยกแยะความจริงจริงๆอะคะ่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็อีกอันนึงที่จังได้ก็คือว่าถ้าเปรียบภาษาง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกระเทาะรูก ป, ปั้นเดวิดนะคะ อ, อ, อะไรนะฮะที่ไมเคิลแอชโลเป็นคนเป็นคน แกะค่ะมันเหมือนจริงใช่ไหมคะมันมั น, ม, นมีคนเขาถามมันเป็นแกะจากหินอ่อนก้อนเดียวหินอ่อนก้อนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเขามันหินอ่อนอันนี้เป็นรูปผู้ชายเปลือยแล้วเขาก็ถามว่าทําไมมันแกะแล้วมันเหมือนจริงมันเป็นธรรมชาติได้ขนาดนี้ไมเคิลออสโลเป็นนักศิลปะระดับโลกเลยใช่ไหมคะซึ่งไมเคิลอจสโลเขาจะตอบว่าคําตอบของมันก็คือว่าเออ่ รูปปั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเนื้อหินอ่อนซึ่งเขาอะแค่เอาส่วนที่ไม่ใช่เนี่ยออกไปคือคือแกะไอ้ส่วนที่ไม่ใช่อะออกไปอันนั้คือสิ่งที่เราเห็นว่าในความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆเนี่ยในความเป็นเนื้อแท้จริงๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือเราเกิดขึ้นมาเราก็เลยมีไอ้ตัวตนของเราถ้าภาษาแลนด์มาร์เาเรียกว่าไอดีนิตี้หรือตัวตนของเราเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีเราก็จะแกะ อันนี้ออกให้ให้คนให้มนุษย์ค้นพบตัวจริงข้างในของตัวคุณเองอะว่าคุณเป็นใครเหมือนคําถามที่เราถามคนเสมอในการเข้าคอร์สก็คือว่าเหมือนคุณเป็นใครจริงๆกันแน่เพราะคนที่คุณคิดว่าคุณเป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่โกรธอะไรเงี้ยไม่บิ้ก็อาจจะไม่ใช่หรือเราเป็นคนที่อะไรนะคะ ง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนว่าวิธีที่เรามองตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าจริงแบบนั้นเลยเพราะจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเราก็เทาะ อ, ออกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เห็นเลยว่าตัวธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเลยเนี่ยค่ะคือมนุษย์อยากจะสร้างความแตกต่างกับคนอื่นอันนี้คือแก่นของความเป็นมนุษย์จริงๆที่แล้วคุณก็จะเจอเวลาคุณไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณก็จะได้พลังได้อิสระได้การแสดงออกเต็มที่แล้วก็มีชีวิตชีวาคือคื อ, คอสิ่งที่มันเบอร์บ้าเทคคอร์สก็คือว่า มีบางคนก็จะแบบเหมือนแต่งงานมามา อ, อะไรคะสาสิบสี่สิบปีกลับไปก็จะรู้สึกว่าว้าวมันเหมือนแบบไปฮันนีมูนใหม่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนมันมีความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในชีวิตก็คือเวลาคนไปถึงจุดตรงนั้นเขาก็จะสัมผัส ต, ตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะแบ่งปันพอไหมคะท่าน <laughs> มีคำถามดีไหมคะ มีคำถามดีไหมคะมีใครอยากถามไหมคะถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างที่มาเจริญเกตรที่นี่สามสามวันพรงนี้อาจจะกลับแล้วกับสิ่งโนมันมีความแตกต่างหรือเป็นจริงมันเหมือนกันยังไงหรือว่าจะคลุมเครือกันได้ยังไงในแง่ของทํามะเอ่อถ้าพูดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วในในเจงคิดว่า อันนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ใช่ความจริงนะคะคือเวลาจางพูดบอกว่ามุมมองความคิดเห็นส่วนตัวมันไม่ใช่ความจริงนะคะมันเป็นมองจากมุมที่แจงมองไปนะคะก็คือว่า เ, เหมือนแบบสําหรับแจงตัวแจงเองเนี่ยแจงมาเข้าคอร์สเนี่ยจะไม่ได้เข้าคอร์สธรรมมานานมากเลยแล้วก็มีคนเคยแนะนำบอกว่าเวลาหลังจบแลนมาฟลอมก็ให้ไปเข้าคอร์สนะคือลีเดอร์ของแจงเองนี่แหละแล้วแจงก็แบบ จังก็บอกว่าไม่ไม่เคยจัดเวลาได้แต่ตอนนี้ก็คือมาแล้วก็มาไม่ครบด้วยนะคะก็แล้วพอดีน้องอ้อเนี่ยบอกมาจังก็เออสนใจพอจังมาแล้วจังก็รู้สึกว่าสิ่งที่จังได้รับไปมันมีค่ามากเลยเพราะว่าเพราะว่าจังเห็นอันนึงว่าสําหรับตัวจังเองเนี่ยจังเห็นรายละเอียดมากขึ้นเล็กๆ็กน้อยนยมากขึ้นในสิ่งที่จังฝึกมาอยู่แล้วว่าอย่ายึดติด อย่า a t t a c h หรือติดยึดกับอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในแง่นั้นคือเหมือนมันอยู่บนสนามในการปฏิบัติจริงๆกับคนกั บ, ก, บการทํางานเนี่ยแต่พอมามาได้ฝึกก็เห็นว่าจริงๆท้ายสุดก็ไปที่ความว่างเปล่าเหมือนกันแล้ว ก, แวก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ติดกับอะไรเหมือนรายละเอียดคือได้สามารถลงไปได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะจริงๆเจนก็ไม่ได้ฝึกมาเยอะนะคะตอนนี้ก็ ก, ก็ก็มีประโยชน์กลับมา คือจริงๆก็มีปรามาจังว่าใจอีกหลายๆคนคือเจงนี่ยังไม่ได้เป็นฟอรัม r ีเดอร์นะคะเจงเป็นผู้บริหารแล้วก็ลีดบางคอร์สนิดหน่อยนะคะพอตอบคำถามไหมคะแล้วก็แล้วก็อันหนึ่งจจงคิดว่าสิ่งที่ที่ได้ลึกซึ้งก็คือว่า เ, เหมือนเราเห็นจุดกำเนิดในในความเป็นตัวของเราเองอันหนึ่งคือซอสหรือต้นกำเนิด ในความเป็นตัวของเราเองอะคะ่ะเกี่ยวกับ เ, เหมือนจุดที่เรากลายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงนิสัยแบบนี้บุคลิกภาพแบบนี้หรือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันมีจุดหรือต้นกําเนิดอะไรที่ทําให้เราคิดแบบนี้หรือมีวิธีคิดแบบนี้อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่จะคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยว่าว่าเรากลับไปดูว่าเอ้ยทําไมเราถึงเป็นคน เป็นคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหุ่นจนใ จ, จก็จะเป็นคนที่ที่มุ่งมั่นตั้งใจคือเป็นหนึ่งในความสําเร็จอันหนึ่งเลยอ่ะค่ะคือเหมือนเขาจะเริ่มแยกแยะว่าจุดที่มันเวิร์กในชีวิตของเราเนี่ยบางทีจุดที่มันใช้งานได้ดีเลยเลยทําให้เราสําเร็จเนี่ยอย่างเช่นเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนเราเขาจะให้เริ่มไปเห็นว่ามันมาจากจุดไหนที่เราตั้งใจมุ่งมั่นขณะนี้ก็กลับไปที่เด็กเลยค่ะ ต้องกลับไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นกี่ขวบอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนั้นเราตัดสินบอกกับตัวเองว่าอะไรเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กเหมือนเราว่างเปล่าเหมือนผ้าขาวอะค่ะพอมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ตัดสินเปลืงเลยว่าอ๋อต่อไปนี้นะฉันจะต้องแบบเป็นคนที่ที่ไม่พึ่งพาใครจะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่พึ่งพาใครเหมือนมีเหตุการณ์ของใจนี้ก็จะมีเหตุการณ์อันนึงเกิดขึ้นที่คุณยายเอาไปล็อกในห้องน้ํา แล้วก็บอกกับตัวเองว่าแล้วก็ไม่มีใครช่วยแจ้งใช่ไหมคะแล้วแจ้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้นะฉันจะแบบไม่พึ่งพาใครเพราะไม่มีใครมาช่วยฉันพอเติบโตมาวิธีที่เราสัมพันธ์กับคนอื่นเราก็มาจากจุดนั้นด้วยเหมือนกันเหมือนแบบเอฟเวลาเขาบอกว่าเออเนี่ยฉันรักเธอจริงๆนะในโลกของใจเนี่ยเสียงในหัวไม่มีทางได้ยินเลยมีแต่ได้ยินว่าไม่มีใครรักฉันจริงๆเพราะว่านั่นคืออดีตคือเราเอาอดีตของเราเนี่ยติดตัวเรามาด้วยซึ่ง มันเป็นอัตโนมัติเลยค่ะมันมันมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะมีอดีตนะแต่อดีตเนี่ยมาแบบอัตโนมัตินะคะเหมือนทําแบบมันไม่ใช่ธรรมชาติด้วยมันเป็นออมันอัตโนมัติของเราไปเลยอะคะ่ะเราก็ทําให้เราคิดแบบนี้ทําให้เราพูดแบบนี้ออกไปเพราะฉนั้เนี่ยเวลาเวลาเราไปถึงตรงอดีอดตแล้วพูดถึงอดีตแล้วก็จะเข้าถึงเลยว่าอ๋ออดีตของเราคืออะไรที่เรากลายเป็นแบบนี้ แล้วพออยู่ตรงนั้นได้เราก็จะปล่อยมันได้พอเรารู้มันเหมือนเราแยกแยะมันได้เราก็จะปล่อยมันได้รรด แ, แ, ไดไดแต่ถ้าเราแยกไม่ได้เราก็จะปล่อยมันไม่ได้นะคะอันนั้นคืออันหนึ่งเลยที่มันมีประโยชน์มากฟอไหมคะมีคำถามไหมคะถามดีกว่ามีใครมีอยากถามคาถามไหมคะในนี้มีใครรู้เรื่องแลนด์มาร์คฟอร์ลมยกมือขึ้น ไม่มีใครรู้จักแลนดมาร์คฟลามเลยใครไม่รู้จักยกมือขึ้นเอมือลงรู้จักใะได้ยินแล้วมีการอบรมที่เคยไปเข้าขอคอรนนะ์สมีฝรั่งคนหนึ่งก็ถูกแกล้งถูกแกล้งโดยการที่เอากบใส่ก็ากลับไปบ้านกันนะโดนเพื่อนเพื่อนเอากบใส่ในนี้แล้วก็ต่างคนต่างทุบต่างตีต่างชกต่างบี้จน เลือดกบกระจายอยู่ในอกเนี่ยเขาฝังใจมากเลยตั้งแต่นั่นมาเขาก็ไปทำอะไรอีกมากมายแล้วกินให้มันแกล่งชีวิตของเขาบางคนเนี่ยแม่กับพ่อล้มละลายแล้วเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินแม่ก็ไปทา ง, งพ่อก็ไปทางได้เห็นเขาก็เลยตั้งแต่นั่นมาจะต้องเป็นคนเก่งของครอบครัว ใช้สูมาสร้างเนื้อสร้างตัวทําอะไรมากไหมการเป็นสูตรแกล่งเกิดมามันลึกมันมองเห็นอดีตถามว่าเวลาเราปฏิบัติทำที่นี่ยกมือสร้างจาังหวะเห็นอดีตของตัวเองไหมอยู่ฉายแวบขึ้นมามีไหมอดีตตอนสมัยเรียนมีไหมกับเพื่อนคนนั้นคนนี้เขาโ น, น้นหน้าตาบางคนโผล่มาเฉยเลยมีไหมใครมียกมือยงสูงอ่ามี มันเป็นเรื่องของจิตที่มันแสดงออกถึงอดีตมันเคยเก็บเคยฝังภาพของมันจะปรากฏขึ้นมาเลยเวลาเราปฏิบัติจริงๆคืออันเดียวกันแล้วเราก็จะเกิดการทบทวนและแก้ไขอย่างนีนะแล้ว่ากลับมาที่ความสึกตัวมันเท่ากับลบภาพนั้นไปเลยผ่อนลงแล้วก็หายไปในชีวิตเลยมันมีมันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาคือความเป็นปกติความคิดขึ้นความคิดกถูกรู้เท่ารู้ทันสมั็เห็นว่ามันเหมือนกันตรงนี้ แต่ของเราต้องลงมือกระทาเองแต่นั้พยายามผลิดให้เราสะท้อนให้เราใช่ไหมเหมือนกระจกสะท้อนกลับมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจงฝากอันนึงได้ไหมคะได้ก็อันหนึ่งที่เจงอยากจะฝากก็คือว่าคือคือเหมือนที่ที่พยายามที่มาเนี่ยค่ะพยายามที่แบบเหมือนแบบคือเหมือนไม่อยากจะคือสําหรับใจเนี่ยเหมือนมันเป็นที่ที่นี่ปลอดภัยมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่แจงมาแล้วก็เหมือนไม่ คือทำงานเยอะค่อนเพิงเยอะมจังทํางานเยอะมากคือทั้งหมดที่จังทําเนี่ยจุดประสงค์จังก็อยากจะสิ่งที่จังมีความตั้งใจในการทํางานอันนี้ก็เลยก็คือว่าสําหรับที่จะทานฟอร์มประเทศของเรานี่ยคือความตั้งใจของจังเลยที่จะแบบพัฒนาคนหรือหรือคนที่ที่แบบออกไปสร้างความแตกต่างกับข้างนอกหรือสังคมอันนั้นคือจุดประสงค์ในการที่จังทํางานนี้แล้วก็ทําเยอะมากเลยค่ะอันนึงที่จังเห็นสำหรับประเทศของเราเนี่ย คือในประเทศของเราเนี่ยถ้าเรามองดูเราเป็นคอร์รัปชันติดติดท็อปหนึ่งในห้าของโลกใน10บของโลกหรือ5้าของโลกใช่ไหมคะอันนึงที่จะนำในคอร์สลีดเดอร์ชิพโปรแกรมหรือภาวะผู้นำตลอดเราจะฝึกมากเลยเรื่องอินเท r ร t y ิตี้ถ้าพระอาจารย์จะใช้คำว่าส ja ัจจะใช่ไหมคะคือของอาจารย์จะใช้คำว่าอินเท r ร t y ิตี้เนี่ยเออมันคือสมบูรณ์แบบ มันรวมหลายๆอย่างคือมันมันแยกแยกไม่ได้เขาก็จะใช้คำเป็น integrity ที่ญี่ปุ่นนี่เขาจะใช้ integrity ทับศัไปเลยค่ะเพราะว่ามันแปลแปลโดยเหมือนแยกส่วนใดไม่ได้มันมีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วพูดถึงในแง่ของของอย่างการตรงต่อเวลาใช่ไหมคะซึ่งที่นู่นจะเน้นมากๆเลยก็คือแบบ on time คือตรงต่อเวลาเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ ที่ง่ายสุดที่มนุษย์มนุษย์เราพึงจะฝึกได้เริ่มจากจุดนั้นเลยอะค่ะแล้วก็อันนึงที่มันสําคัญเลยมันไม่เกี่ยวกับกับเวลาจริงๆเรามันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดว่าเราจะทําเหมือนเราให้เกียรติตัวเราเองแบบนั้นในเข้ากับคําพูดของเราคือมนุษย์เราถ้าถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันเหมือนเราไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคะอันนึงที่เป็นไปได้คือเราอ่ะ เราให้เกียรติคำพูดของเราคือเท่าเราเท่ากับให้เกียรติตัวเราเองอันนี้เป็นเรื่องที่ฝึกเยอะมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเห็นในวัฒนธรรมหรือสังคมของเราเนี่ยซึ่งถ้าถ้าไปมองที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต่างกันแบบสูงมากเลยค่ะที่นู่นอินเทอร์เคูสูงมากเพราะว่าบ้านเมืองของเขามันมีหลายอย่างที่เขารับมือจัดการอย่างเช่นแผ่นดินไหวทุกอย่างถ้าไปจะเห็นเลยว่าไม่ว่าการจัดระเบียบพื้นที่นิดหน่อยแต่มันเป็น เป็นระเบียบหมดเลยอะค่ะทุกอย่างเนี่ยความปลอดภัยค็สูงมากเลยแต่ถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยของคนไทยก็จะมีอันนึงซึ่งมันมันพูดถ้าลักษณะของพาาระใจก็จะเป็นบอกว่าเราถูกใช้ด้วยอารมณ์ของเราใช่ไหมคะเราถูกใช้ด้วยความรู้บางครั้งความรู้สึกก็จะใช้เราขณะเดียวกันบางครั้งวัฒนธรรมก็จะใช้เราด้วยซึ่งวัฒนธรรมความเป็นคนไทยอันนึงที่มีก็คือเกรงใจอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลย ซึ่งมันมีจุดแข็งของมันเลยแหละก็คือดีมากเลยค่ะในลักษณะของความเกรงใจซึ่งคนไทยจะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็กับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะความเกรงใจแต่ในด้านที่มันไม่เวิร์กอีกด้านหนึ่งของมันก็คือมันทําให้เราเนี่ยโอเคกับสิ่งที่มันไม่เวิร์กอันนี้นคือสิ่งที่มันเป็นจุดใหญ่ช่องว่างอันใหญ่ของสังคมของบ้านเราเลยซึ่งอันเนี้ยคอร์รัปชันนี่เป็นเป็นหนึ่งในปัญหาอันใหญ่ของประเทศนี้เลยซึ่งจังคิดว่าถ้าทุกคนเริ่มได้จาก การที่เราแบบรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและให้คําพูดถ้าทุกคนรู้ว่าอันนี้มันไม่เวิร์กถ้าสมมติเขาซื้อซื้องานขายงานกันแล้วรู้อันนี้มันไม่เวิร์กแล้วมันก็ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นต้องมีคนพูดถึงแต่ของคนไทยเราเห็นแต่เราไม่พูดเหมือนเราเห็นคนทําผิดกฎหมายเราก็จะไม่พูดเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นมเป็นอันหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้คอร์รัปชันหรือสิ่งต่งางๆที่มันผิดกฎหมายหรือไม่เวิร์กเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศหรือสังคมของเรา ซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งเลยที่มันอันใหญ่มากๆนะคะก็อันนั้นคือสิ่งที่ที่ที่จังคิดว่าเอ่อในงานที่จังทำเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นจุดหมายอันหลักเลยที่จังอยากจะสร้างความแตกต่างอันนี้มากให้วาประเทศของเราเพราะฉะนั้นเวลาจังฝึกผู้นำคอร์สผู้นำของจังเรียนหกเดือน <c oughs> เรียนหกเดือนนะคะ ถ้าแลนดมาเพราะน้งที่อาจารย์บอกก็สวันครึ่งแต่ผู้นำเนี่ย6เดือนแล้วก็ จ, จะพูดเหมือนกันตอนเริ่มต้นว่าฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝึ ก, ฝกสิ่งหนึ่งที่มากที่สุดก็คืออินเทเกอรี้เนี่ยเป็นหรือการสาจัจจะเรื่องคําพูดเป็นสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดเลยและนั้นคือสิ่งที่จะรย์ฝากคนที่ออกไปจากคอร์สทั้งหมดเลยไม่ว่าเขาจะอยู่มีอาชีพทุกอาชีพที่เข้ามาเป็นหมอเป็นทนายความแพทย์วิศวะนักบินแอร์อะไรยีย้มีทุกอาชีพเลยค่ะก็ สิ่งที่จนจะฝากมากที่สุดก็คือ integrity นี่เป็นเรื่องที่จนฝากมากที่สุดเลยก็คือฝึกจนเริ่มเริ่มที่เขาก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มออกไปในครอบครัวของเขาสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ชุมชนที่เขาอยู่แล้วก็สังคมที่เขาอยู่อันนี้คือสิ่งที่ที่จันจะเน้นในในจร่งจริงใน l i ยมาเฟอร์มก็มีอะค่ะแต่จะเน้นมากๆในภาวะผู้นาที่เราทากัน6เดือนค่ะไหมคะ าถามได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขเข้าคอรนได้นะคะแล้วมีมีมีประเมินผลยังไงเขว่าเราประ ส, สบควาพสำเร็จแเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ไปช่วยได้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถามว่าเรามีการประเมินผลไหมเราเคยมีการประเมินผลแต่ลักษณะสิ่งที่เราบอกได้ชัดมากที่สุดเลยอะค่ะก็คือว่าคือคอสของเจนจะไม่ได้มีการโฆษณา เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญที่มาเข้าตอนนี้คือเรามีคิวประมาณ3มเดือนที่ต้องรอเข้าคอร์สนะคะเวลาสมัครเข้ามาส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือเขาเห็นผลคือสําหรับตัวเขาเองเนี่ยพอเขาออกไปแล้วเขาก็เห็นเลยว่าอย่างมีบริษัทหนึ่งะคะ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากหัวหน้าจากเจ้าของบริษัทมาเข้าแล้วเขาก็มาเข้าแล้วเขาก็เห็นแบบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมา่ก่อนลูกน้องไม่ค่าเก้าใกล้เขาเลยใช่ไหมคะแล้วตอนช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาเขา เขาเป็นคนค่อนข้างดุแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนหลังเขาก็ไปให้ลูกน้องมาเข้าลูกน้องก็ไม่ยอมเข้าแล้วท้ายสุดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาก็โน้มน้าจนไปเข้าใช่ไหมคะมาเข้าตอนนี้ทั้งหมดในองค์กรนี้บริษัทเปลี่ยนแปลงคือเขาเริ่มจากคนก่อนตัวบุคคลก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับ how to จะทํำยังไงหนังสือ how to อะไรพวกนี้มันจะไม่ได้สร้างความแตกต่างแต่เริ่มเห็นจากตัวบุคคลตอนนี้บริษัทเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยจากการที่ ที่เขาทำงานคือตอนนี้เขาสนใจโคนมากขึ้นแล้วเขาก็มีผลิตผลเนี่ยมากกว่าคือคือหนึ่งปีที่ทำหนึ่งหนึ่งสามเดือนที่ทำหนึ่งควอเตอร์มากกว่าหนึ่งปีที่ทำมาคือมากกว่าโดยแล้วเขาก็เริ่มถอนตัวออกมาจากบริษัทได้โดยลูกน้องเริ่มเป็นเจ้าของเองเหมือนถึงว่าเป็นเจ้าของอันนี้เองนะคะอันนี้บริษัทออกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่ที่เขามาอันนี้นะคะ คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบอกต่อมากกว่าเพราะว่าออกไปแล้วคนก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้นนะคะแต่เหมือนที่พระอาจารย์บอกก็คือว่าอันนึงก็คือว่าที่สอนที่พระอาจารย์สอนเนี่ยทำมะคือเวลาคุณเก็ตไปแล้วเนี่ยเวลาคุณคุณได้มันไปแล้วโมเมนต์ที่คุณได้มันไปว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้คุณไม่มีทางหรือเหมือนคุณบาลานซ์จักรยานได้อะคะ่ะเหมือนคุณทรงตัวจั ก, กรยานได้สิบปีผ่านไปยังไงก็ตามถ้าเรากลับมาขี่ใหม่แล้วคิดว่าจะขี่ได้ไหอนะคะ่ะ อันนั้นคือเหมือนกันคือถ้าสิบปีคุณไม่ขี่จักรยานเลยแล้วคุณก็กลับมาขี่ใหม่อันนั้นก็คือคือคือความเป็นไปได้คือยังไงคุณก็ขี่ได้เพราะคุณทรงตัวเป็นนะคะมันคุณไม่ได้เข้าใจมันนะแต่คุณทรงตัวได้คือเวลาเราเข้าใจมันเข้าไม่ถึงแต่ถ้าทรงตัวได้หรือหรือหรือเกตมันแยกแยะมันได้อันนี้คุณเข้าถึงมันได้พอตอบคําถามไหมคะ ตรงนี้จะเสริมให้เน็ตหนึ่งคนสองร้อยคนหรือว่าสี่ร้อยคนเนะ่จะบอกได้ตรงมีความสำเร็จตรงไหนหรู้ป่ะมีคำนั้นบอกว้าวมันจะเบรกทูแล้วก็ว้าว้าวว้าวว้าวว้า ว, ว, า ว, ว, า ว, ว, าวมันจะตื่นขึ้นมาอาการตื่นแล้วกลายเป็นร่องรอยที่ลืมกันไม่ลง แ ต, แต่ใช่เลยค่ะอันนั้นคือที่พระอาจารย์พูดก็คือเกตและขณะเดียวกันเราก็จะบอกว่ามันเหมือนต้องฝึกด้วยแหละคุณออกไปใช้ชีวิตคุณก็ฝึกอันนี้ด้วยคือคื อ, คอสิ่งที่จา ง, จงมาที่นี่เห็นที่ทมันสอดคล้องกันมากเลยก็คือการที่ต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราอยากจะเป็นปรมาจารย์ในชีวิตของเราเองหรือแยกแยะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรได้มาแบบเหมถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่มีทางมันเป็นเส้นทางเลยอะค่ะ คนเวลาจังนำในลีดเดอร์ชิพโปรแกรมเนี่ยผู้ภาวะผู้นํำจังก็จะบอกเริ่มต้นทุกคนเข้าคอร์สจังหกเดี๋ยววันเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจังเริ่มด้วยเก้าสิบคนเริ่มทุกครั้งจังก็จะเริ่มจังลีดอันนี้มานานมากเลยนะคะจังก็จะบอกเขาว่าถ้าเราพูดถึงปรมาจารย์ของโลกแบบเนี้ถ้าเรามองดูเนี่ยทําไมปรามอาจารย์อย่างเช่นนักเปียนโนระดับโลกหรือหลายบุคคลที่เป็นบุคคลเอกของโลกเนี่ยทําไมถึงมีน้อยจะเป็นคําถามแรกเลย ทำไมถึงมีน้อยทำไมแบบมีหนึ่งคนถ้าเป็นนักฟิสิกส์แบบระดับโลกเลยมีหนึ่งคนทำไมถึงเป็นตรงนั้นคือคําถามอันแรกลองลองดีไหมคะลองตอบกลับมาดีไหมคะทาไมทําไมถึงเป็นตรงนั้นทําไมเหมือนเหมือนแบบหรือพระอาจารย์เก่งๆหรือแบบคนที่ที่แบบเขาแบบยอดเยี่ยมเลยถ้าเป็นระดับโลกก็มหาตามะคานชี หรือหรือคนนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมถึงมีน้อยไม่ได้มีเยอะมากในโลกจะใครตอบถูกให้อะไรดีอะไรนะคะคิดไม่เหมือนคนอื่นขอบคุณค่ะมีใครกไหมคะใช่ค่ะอันนั้นเป็นหนึ่งในสามข้อ สามข้อหลกัหลกๆเลยเนี่ยค่ะค่ะใช่ค่ะความตั้งใจแต่ถ้าในภาษาของเราเราพูดอันนี้เลยค่ะว่าพันธะสัญญาพันธะสัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าพันธะสัญญาหรือไม่ใช่การมีส่วนร่วมอย่างเช่นมาเข้าคอแล้วเราก็มีส่วนร่วมเหมือนเขาทําไปกับเขาแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมแต่พันธะสัญญาเนี่ยพันธะสัญญาหมายถึงว่า เหมือนเหมือนถ้าอย่างที่ได้ยินพระอาจารย์เปรียบเทียบด้วยคือถ้าคุณเป็นพ่อแม่อะค่ะเวลาลูกอดข้าวอะ่ะรับรองคุณต้องทําทุกหีทางเพื่อให้ลูกได้ทานข้าวใช่ไหมคะคุณแบบอันนั้นคือเราเรียกว่าพันธะสัญญาจริงๆคุณทําเหมือนถ้าชีวิตคุณแรกคุณแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราเรียกว่าปิดประตูหลังอะเหมือนแบบคุณไม่มีประตูหลังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าพันธะสัญญาคือไม่ว่า ไม่ว่าอันนี้อารมณ์ขี้เกียจไม่ว่าอารมณ์รู้สึกอะไรนะักกีฬาโอลิมปิกเขาก็ต้องตื่นไปซ้อมว่ายน้ำใช่ไหมคะที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกสิบนาทีแต่ถ้าเราคุณมองย้อนกลับไปเขาฝึกมันทั้งชีวิตเลยนะคะฝึกได้เจ็ดขวบเพื่อจะว่ายสิบนาทีอันนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือพันธสัญญาที่คุณต้องแบบปึ้งไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณไปที่นั่นเลยนะคะ แล้วก็อันที่สองก็คือว่าของการฝึกฝนที่น้องคนเมื่อกี้บอกคือฝึกฝนค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนเราเห็นเออเราก็อยากจะเป็นสังเกตไหมคะเราอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เราอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นทำไมคนนั้นเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองเพราะว่าแต่เราเนี่ยเวลามันแบบวันนี้นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกหรือนักกีฬาว่ายน้าหรือหรือหรือจงดูเนี่ยพระ อ, อะไรนะคะ หลวงหลวงปู่เทียนใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวันดูวิดีโอด้วยหลวงพ่อคำเขียนเนี้ยคะ่ะคือจึงบอกได้เลยว่านั่นคือความมุ่งมั่นแล้วก็แบบฝึกฝนจริงๆอะ่ะมันตรงนั้นเลยอะคะ่ะเหมือนอันนั้นคือสิ่งที่ที่ได้มามันไม่ได้มาง่ายๆมันต้องมันต้องใช้อะไรบางอย่างอะคะ่ะแล้วก็อันที่สก็คือเรื่องของเรื่องของโคช้ชหรือคน คือส่วนใหญ่คนที่เขาประสบความสําเร็จในโลกใบนี้เนี่ยเขาจะมีโค้ชหมดเลยค่ะโค้ชเพื่อไม่ใช่บอกว่าทําอะไรผิดเวลาเราได้ยินเราจะเราทําอะไรผิดแต่โค้ชจะเป็นคนบอกเราว่าอะไรมันหายไปเหมือนอะไรมันหายไปอะไรยังไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนเรามันนั่งสมาธิใช่ไหมคะจงก็พระอาจารย์เป็นเป็นโค้ชถ้าภาษาแจงใช่ไหมคะเหมือนบอกเหมือนไม่เช้าจงได้เลยอ่ะตอนที่บอกเออตอนนี้กาลังติดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ออกเหมือนเรา เรามองไม่เห็นตัวเองเป็ น, ปนจุดบอดเราออกไม่ได้อะต้องมีคนบอกเราว่าออกทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยคนที่เป็นบ ร, รมจารย์เนี่ยก็คือต้องมีผู้ฝึกสอนเราอะคะ่ะเพื่อจะบอกเราว่าอะไรหายไปและถ้าถ้าเขาไม่พูดและคนที่เหมือนเหมือนโค้ชนักกีฬาว่ายน้ําถ้าเขาไม่พูดบอกว่าสมมุติวันนี้นะักกีฬาว่ายน้ำบอกเหนื่อยไม่อยากฝึกใช่ไหมคะถ้าโค้ชคนนั้นไม่พูดบอกว่าหู ป, ปากแล้วก็ลงไปว่ายน้ํานะ เลิกจ้างเป็นโค้ดทันทีเลยค่ะเขาจะไม่ซื้อเรื่องราวซื้อเหตุผลอะไรเงี้ยก็คือทาําลงมือทําอย่างเดียวก็เห็นอาจารย์ด้วยเหมือนกันก็คือฝึกลงไปฝึกลงไปฝึ ก, กอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็คือเป็นเป็น อ, อะไรนะคะคุณสมบัติเลยของของคนที่จะเป็นปรมาจารย์ในด้านต่างๆนะคะในชีวิตของเราในการแยกแยะธรรมะหรือในการแยกแยะชีวิตหรือในด้านไหนก็ได้ที่คุณสนใจอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็น หลักการง่ายๆเลยค่ะคิดว่าพอแล้วนะคะตรงเนี้ยขอเสอไม่นิดนึงคนที่จะทําทอะไรสําเร็จนะต้องมีการยานมิตรและโยนิโสมนานสิการการคิดแยกแยกนะนี่ยมันเป็นสิบมุมทีเดียวในประสาหน า, ศาคนค่าแท้เป็นไงคนค่าเทียมเป็นไงคิดแบบปุกเล้าคุณธรรมเป็นไงคิดแบบสามัญลักษณะเป็นไงสาวหาเหตุสืบสาวหาเหตุมีหเหตุอย่างเงี้จึงมีผลนี่ผลนี้มีเหตุอย่างเ ง, งี้ ตรงนี้มันคืออะไรคิดแบบระดมสมองคิดเองหัวเดียวไม่ได้ต้องหลายคน ท, ที่ชุมชนแล้วก็ยอมรับกันลนักษณะของประชาที่ปไตยเอาคนหมู่มากเป็นเกณฑ์หรือเอาแบบสังขารที่ตยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เอกะฉันอะไรประเภทนั้นนะ ม, มันมวิธีคิดนั้นเราต้องมีวิธีคิดจะทําอะไรต้องมีวิธีคิดมันมีสองทางอยู่เสมอแล้วก็จะมีทางออกที่ดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยนะเขาว่าเราว่าความเป็นจริงอย่างเงี้ยที่มันเคยที่สุดคือ ตัวกาลยานมิตรคนคนนั้นก็คือใข่ครูคาอาจารย์เขาเรียกว่าปรลลมาจารย์น mm hmm. น่ารักนะครับลบหน้ายกย่องอดทนชี้แจงได้อย่างลึกซึ้งและทีมกันไม่พายทางที่เสื่อมแน่นอนถูกทิศถูกแทงถ้าชีต้ตรงไหนก็คือใช่เลยแต่คราวนี้เรามีศรัทธาในตัวของบุคคลแบบนั้นหรือไม่ตัวนี้สํำคัญ mm hmm. ตัวศรัทธาความเชื่อในตัวบุคคลเนี่ยเราเชื่อคนนี้เขาดีแน่นอนเราก็ต้องจดทะเบียนกับเขาแต่งงานกับเขาเพราะเขอยู่กับเราเราเชื่อหลือเกินศรัทธาก็ว่าดีเย mm hmm. งานนี้ดีแล้วเกินเราก็แน่นอนเราเชื่ออย่างเงี้ยสุดท้ายอย่างงี้ยเราก็ต้องพาตัวเองไปประเ ส, สริฐจับงานนี้อยู่ที่นี่อย่างงี้ยเนาะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อโยนิโสมรจิการเชื่ออะไรบุคคลกลิรยานะมิตรตัวนี้สําคัญเนาะเพราะมีมิตรหลายมิตรน่ยมิตรปอกลอกมิตรเทียมมิตรเอาประโยชน์ประจบสพลดีแต่พูดสารพัดมากมายแต่คนที่เป็นมิตรแท้เนาะหายยากที่นี่จึงมีหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่า สร้างวัดสร้างวายเนี่ยต้องการให้คนมาเรียนมารับรู้แล้วก็ฝึกตนอย่างเงี้ยนะมันชัดเจนที่สุดพ่อเก็บอกว่ามาที่นี่ก็มีแต่ญาติแต่มิตรมีแต่พี่แต่น้องกันเงี้ยเราฟังแล้วเอออบอุ่นอยู่แบบปลอดภัยเลยทีเนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นได้ไหมได้ฟังแล้วได้เก็ตมั้งไหมเนี่ยเก็ตอะไรเรื่องควรนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอาตมานะก็เพียงแค่นําเสนอว่าเออเนี่ย อยู่ในประเทศไทยทํางานใหญ่งานยักษ์อยู่เยอะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคนคนนี้อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรก็ตามะอะอ่าโอ้ยทึ่งควรมาอยู่รวมกันหลายวันนิ่งตั้งใจฟังคนคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้เข้าท่าเข้าท่าให้มันมีอย่างเงี้เยอะๆะก็จะได้มีทิศทางเรียกว่าพอมีปัญหาปั๊บมองทางแทงทะลุเลยมันออกทางนี้แหละอะไรเก็จะได้เหมือนกับว่าช่วยกันหลายๆทางประเทศไทยจะได้อุดมสมบูรณ์ ไม่มีคนเห็นแก่ตัวไม่มีคนคอรับชั่นไปทิศทางเดียวกันก็คือร่วมกันสร้างใช้ชีวิตอย่างผาสุกไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นช่วยตนช่วยคนช่วยสังคมประเทศชาติต่อไปดีไม่ดีไห ม, มสาธุเอกกุญแจงั้นหน่อยอเวลาพูดดีพูดดงัดงๆนีสส<า>่สาธุเนี่ยคำดีๆนะพูดดงัดงๆถ้านินทาเบาๆ ควาไม่ดีเนี่ยเบาเบลก็ขอบคุณที่ฟังด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะเอ่อสาธุไมวัาดีแล้วนะ เ, เรากล่าวพระพร้อมกัน